ตอนที่สี่สำหรับในตอนนี้จะเป็นตอนเริ่มเข้าเรื่องการถามปัญหากันก่อนที่จะเริ่มปัญหาแรกขอนำพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้ามิรินเรียบเรียงโดวยวสิณอินทสระมาให้ทราบไว้ดังนี้พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย พระพุทธศาสนาเจริญเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้ามิรินหรือพระเจ้าเมนันเดอร์ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกีกที่มาปกครองอินเดียอยู่ระยะหนึ่งขอเล่าความย้อนต้นไปสักเล็กน้อยว่ามเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพเข้าลุกรานอินเดียและเลิกทัพกลับไปนั้น แคว้นที่ส่งตีได้แล้วก็โปดให้แม่ทัพนายกองของพระ อ, องค์ปกครองดูแลทิ้งกองทหารกีกไว้บางส่วนฝรั่งชาติกีกเหล่านี้ได้ตั้งเป็นอนาณาจักรอิสระขึ้นเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคตแล้วอาณาจักรที่มีกำลังมากคืออาณาจักรซีเรียและอาณาจากาักรบัเติอาวงเล็บเปิด ปัจจุบันคือเตรกีและอัฟกานิสถานว ง, งเล็บปิดขั้นถึงพุทธศักราช392พระเจ้าเมนันเดอร์หรือที่เรียกในคำพีบาลีว่าพระเจ้ามิริน ย, ยกกองทัพตีเมืองต่างๆแผ่พระราชอำนาจลงมาถึงตอนเหนือพระองค์เดิมทีไม่ได้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ทรงขัดขวางการขยายตัวของพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปเนื่องจากทรงแตกฉานวิชาไตรเพศของพรามณ์และศาสนาปัจจยาต่างๆรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยพระองค์จึงประกาศโตวาทีกับนักบวชในลัทธิศาสนาต่างๆในเรื่องศาสนาและปัจจยาปรากฏว่าไม่มีใครสู้พระองค์ได้ พระเจ้ามิลินแห่งวงโยนกในเวลานั้นชาวเมืองเรียกว่าชาวโยนกแต่ชาวอินเดียเรียกยวันะหมายถึงพวกไอโอเนียวงเล็บเปิดแคว้นไ er อโอเนียหยุดทางตะวันตกขอ ง, Minor, งเอเชียไมเนอร์วงเล็บปิดเมืองส า, นาคนนครตั้งอยู่ในแคว้นคันธาระวงเล็บเปิด ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียปัจจุบันคือ ere, แคชเมียร์วงเล็บปิดดังนี้